ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในช่วงการคุยธรรมะกันในการคุยธรรมะเอ่อก็มีครับท่าน นะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่ใช้งานได้จริงในภาษา นะ, applicable นั่นก็คือว่าเอาไปใช้งานได้จริงๆ นะ, นะก็ๆนะช็อตสั้นๆที่ นะ, นะ 108 อันเมื่อ 2 ปีที่แล้วหรือยังไงเนี่ยที่ได้มีโอกาสแจกให้ท่านผู้ฟังที่ที่เกี่ยว อัน 1 ในใน 108 ตรากົດภาษิต 5 และบอกว่าเธอย่อมไม่ยุบย่อมไม่ก่อ 5 ขันธ์ 5 คืออะไร แนวกองในที่นี้ก็คือว่าอะไรๆที่มันคล้ายๆเหมือนเหมือนกันเราก็จัดจัดรวมๆเดียวกันเช่นเดียว นกังในที่เนี้ยก็คือขันนั่นเองนะขันเป็นภาษาบาลีนะถ้าท่าแปลเป็นภาษา 5 กองด้วยกันและในในทุกอย่างในโลกอยอย 5 อย่างนี้ตัว จักขังติเณวะรูปนะอะไรที่แข็งๆเหลวๆ2 คือกอง นะความรู้สึกที่เป็นสุขความ 3 อย่างนี้มารวมๆกันเอ๊ะเรามีความรู้ หรือท่านผู้ฟังก็เอาของได้ถูกต้องนะ 3 คือกองสัญญาคือความหมายรู้นะนี่เรานะสัญญา 5 กองเอ่อ นะหมายรู้ก็คือความที่เรารู้ได้ลบโทรทัศน์ท้องฟ้าฟ้าโกมไฟดินคมไฟเนี่ยพวกนี้คือสัญญาณ ความหมายรู้ด้วยความเป็นของที่ตายแล้วอย่างงี้ในพวกนี้ก็คืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาพวกนี้ทั้งสิ้นนะคือให้เรา แล้วถอดเล็บเค้าออกถอดเหลือแต่เนื้อสดๆแดงๆดูมันสวยมันหล่อมั้ยอันนี้คือจริงๆนี่คือหมายรู้ว่าให้เห็นอย่างงี้เราเรียกอสุภสัญญาเป็นต้นนะ ความไม่เที่ยงและท้องฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงท้องฟ้ามีฝนตกให้เรียนเห็นตรงนี้เหนือหรือเห็นแผ่นดินเห็นภูเขาอย่างนี้ นะพระพุทธเจ้าก็สอนไอ้สัญญา นะเปลี่ยนอะไรให้เป็นอะไรปรุงอะไรให้เป็นอะไรรู้หมาย นามัยรู้ด้วยความเป็นของไม่สวยงามและจักสุจากไม้อะไรเข้าทํางานสังขารไงทําไมล่ะก็สังขารทําหน้าที่ปรุงปรุงอะไรปรุง <c oughs> นะamarin รู้เนี่ยเราจะพบว่าเอ่อถ้าเราใช้อ่าคํานิยามถูก นะเราแก้ไขปัญหาได้นะทํางานให้เกิดขึ้นได้ๆได้สู้อดทนไม่ท้อถอยนะเราเปลี่ยนจากความรู้สึกที่เป็น <rí> นะเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยตามว่านะเป็นความเพียรเป็นอะไรก็ นะเปลี่ยนวาจาอย่างนี้เป็นวาจาอีกอย่างหนึ่งก็ก็ได้อย่างนั้นอ่าสุดท้ายลอยๆไปมา มีสิ่งมีชีวิตที่มีกายละเอียดแต่ไม่มีกายาเหมือนมนุษย์พวกนี้อาจจะไปไหนได้ทั้ง 5 อย่าง 5 อย่างเนี้ย นะย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกอง นะตามให้กระจัดกระจายไม่เป็นกองทําให้มอดไม่ทําๆนะการที่เราจะทําให้มันไม่ยุบไม่ก่อไม่คว้าง เราเป็นยึดถือนะยึดถือเนี่ยคือความเอ่ออุปาทานแต่ เป็นกองไม่ทําให้ลึกโพรงนะทําให้มันยุบลงไปทําให้มันทิ้ง 5 เนี่ยคือมีสตินี่คือหมายว่าเราจับมันได้เฉยๆนะ นะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเหมือนกับไอ้ขนไก่นะผู้ฟังนะเราเอาขนไก่มา นะเราจะต้องมีสติแล้วค่อยเห็นสิ่งเหล่าเนี้ยโดยความเป็นไม่ใช่ตัวตนนะเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราของ นะฟังธรรมะไปก่อนรู้ลมตัวเองไปด้วยและมีสติกำกับไปเราจะสามารถที่จะอ่าทำเจ้าสิ่งที่เรียกว่าไม่ยุบนะให้ เนี่ยให้จิตเราเป็นๆทําไปนะผู้